Sengkang Serenang Kacchami Tutti yampi puthan Serenang Kacchami Tutti yampi puthan Serenang Kacchami Tutti ตติยัมปิสังฆัง serenang คัจฉามิโพธิยัมติสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโพธิยัมติพุทธังสรณังคัจฉามิ ติยัมปิสังคังสรณังคัจฉามิติ 20 ธันวาคม 2557แรม 14 ค่ำเดือนอ้ายอ่าหมดเดือนกัน ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของอากาศมันจะแปรปรวนมันจะยังไงก็สบายวิเศษอ่าตอนแล 20 แล้วอีกอาทิตย์ เราก็จะเริ่มแล้วสอบวบบบอ่าวิทยาลัยวิชารามนะวิชาลัย ไม่เป็นวิชรามไม่ยอมไม 28 ธันวาคมอ่า 4 วัน 28 29 30, 30, 30 31 แล้ว 1 2 3 7 วัน ก็ตอนนี้ก็มีผู้ 200 300 รวมแล้วน่า 3 รุ่น 3 นี่ สอบไม่ได้ทําก็มาปีนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้สอบเมื่อไหร่ก็ บางคนตั้งใจนะครับมี 4 ปีติดเต็มเลยเพราะงั้นนะได้เอ่อเข็มเลยทั้ง 4 เข็มเลยนะได้ได้ปริญญาบัตร 2 ใบเลยปริญญาบัตรจะได้ปี 1 เข็มที่เข็ม เข็มที่ 4 ก็ได้ปริญญาบัตรอีกใบนึงเข็ม 2 ที่ 3 ยังไม่ 1 เราเรียกว่า 2 เราเรียกว่า 3 เราเรียกว่า 4 เราเรียกว่าเข็มบุญบุญบูรณะเนี่ยบุญ เข็มที่ 1 บุกเบิกเข็มที่ 2 บากบรรเข็มที่ 3 เบิกบานเข็ม สนิทสนมละถูกบวชเป็นพระศัสตรไทยคําว่าบุญนี่มาบวชเป็น จะใช้คําว่าบุญบุญบุญนั้นแน่ พระบุญรถกิเลสได้ไม่มีบุญอะไรไม่มีกุศลอะไรเลยนะเต็มไปด้วยลาภใหญ่โต บําเพรดให้โลกียะเต็มเหนียวยังไงก็ จับสกายะสกายะคือองค์ประชุมของจิตรูปกับนาม ก็ต้องรู้จักสิ่งนั้นจริงสัมผัสจริงแล้วก็เกิดจิตเกิดวิญญาณมีประสาธรูปโคจรรูปทํา เมื่ออิริยะบทไปเกิดรูปกําหนามสัมผัสตากับทัพรูปหูกระทบเสียง นะเมื่อเกิดบทบาทของสัตว์โลกที่จะดําเนินไปตามธรรมชาติกายกรรมข้างนอกเลยมีพฤติกรรมวจีกรรม เอ่อมโนมันจะลึกมันจะละเอียดจะยากเนี่ยซึ่งก็ยากยากที่จะเข้าใจกัน 8 ข้อ ต้อง 8 ข้อแม้แต่นิโรธก็ยังลืมตามีตากระทบรูปหู แต่ก็อาตมาไม่อวดโตหรอกเพราะเป็นหน้าที่ก็แม้อวดใหญ่อวดโตนะก็ขอ เพราะมันไม่ชอบไม่เชื่อเราไม่ชอบมันก็มีอาการอย่างนั้นมันไม่ชอบไม่เชื่อไม่ศรัทธาเริ่มไสนะ หวังสื่อความจริงที่อาตมาจริงใจและก็มีความจริงที่จะอยากให้ เอ่อคนนั้นก็ติงอย่างงี้ก็ติ มีประโตโคสะก็เลยจะค่อยๆเข้าใจโยนิโสมนสิการเข้าใจการปฏิบัติใจ อ๋อกายในกายนี่มันเกี่ยวกับจิตเนาะอาตมาก็เน้นแล้วว่าจิตเป็นสําคัญด้วยซ้ําไปคําว่ากายเนี่ยเรื่องร่างภายนอกเนี่ยต้องสัมพันธ์กันๆเรียนรู้ไม่ ความไม่ใช่ตัวตนของภายนอกซึ่งบางนานมันกว่าจะสลายสิ่งที่ๆมันอยู่ที่อย่าง มีมีทั้งภายนอกและภายในรูปและนามมีทั้งภายนอกและภายในมีทั้งสิ่งที่ถูก ทปะรู้อารมณ์เข้าไปรู้ตัวจิตกายนี่คืออารมณ์กายคือเวทนา มันเป็นความเป็นสัตว์ด้วยมันอยู่กับเราเรามันเป็นความเป็นสัตว์ด้วยความเป็นสัตว์ด้วยหรือมิจฉาทิฐิข้อที่ 9 เพราะว่าสัตตาภปาติกะหรือสัตว์ภปาติกะเนี่ยมัน มันคืออะไรคือมันอยู่ที่ไหนเออมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสัตว์เนี่ยอยู่ในนรกไง เพราะฉะนั้นเข้าใจกันปริภพๆเข้าไปอยู่นู่นนอกไหนๆไหนที่จึงมาอยู่ในตัวคือกว้างพร้อมสัญญาและใจนี่อยู่นี้นะเพราะถ้าบอกว่า ไม่รู้เรื่องเลยแต่ต้องต้องเรียนไม่ได้รู้ว่าองค์ประชุมของมันเป็นยังนั้นรู้ชัดรู้เจน เป็นการรู้แจ้งแล้วเป็นปัญญานะลุกามมสัพลุอบายยสัพในกามภพนี่ต่ําที่สุดเรียกว่าอบายต่ําที่สุดตั้งแต่ภายนอกเลย ตัวที่คุณจะต้องเรียนรู้เป็นของจริงให้ชัดเจนเลยเพราะงั้นถ้าใครไม่เข้าใจแล้ววิเศษนี่เป็น ปสบะลิคือความรู้ติกรุพิเศษไม่ใช่ความรู้ลกโลกธรรมดาแต่เป็นความรู้จิตสัมผัสรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเลย ของรูปนามผสมกันอยู่เป็นสังขารปรุงแต่งกันอยู่เป็นสังขารธรรมสังขารนะเรียกว่ากาย แขนขาหัวหางกระดูกกระเดี่ยวอะไรพวกเนี้ยนี่เค้าเรียกว่ากายสังขารก็เลยไปยึดไว้ตรงนี้พระองค์ก็ไปบอกว่าจะปรุงว่าเป็น ไปเห็นความไม่เที่ยงอยู่ในพวกนั้นหมดซึ่งมันก็จริงมันก็มีแม้แต่ ก็เท่านั้นปรุงมันไม่เที่ยงตรงนั้นเท่านั้นมันก็มีความ มันก็เด็กก็โตก็แก่ก็เสื่อมตายตายแล้วก็เน่าก็เปื่อยก็สลายแยกธาตุไปหมดก็คือเห็นความมันไม่ยึดเออมันไม่เที่ยง ไปแปรร่างกายว่าเป็นทุกข์เพราะมันๆจริงมันตั้งอยู่อย่างเก่าไม่ได้แต่ทุกข์อาการทุกข์มันไม่ใช่ตั้งอยู่ไม่ได้อาการทุกข์มันคืออาการของจิตเป็นเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกไม่ใช่มัน มีความหมายนึงก็ไม่ผิดทีเดียวทุงนิดนึงตั้งอยู่ไม่ได้มันทุกข์ถ้ามันตั้งอยู่ จำมาต้องการให้มันอยู่งี้หรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงได้อีกก็ยิ่งไม่ทุกข์ใหญ่ ได้ดังใจดังใจนะเพราะต้องไปเว 108 เวทนามาอธิบายนะแล้วก็มีตัวตั้งมีสเปคซิฟิเคชั่นอย่าง ต้องอย่างงี้อย่างงี้แต่ละคนน่ะมันไม่รู้ตัวหรอกแต่มันมีแล้วมันสเปคไว้แล้วกําหนดว่าต้องได้อย่างงี้ไอ้คนนี้ต้องเค็มขนาดนี้ไอ้ตัวนี้ต้องได้ แต่มันไม่เห็นพอใจสักล้านๆมันอยากจะได้ 10 ล้าน 100 ล้านมันไม่เห็นพอใจสักทีนึงสันโดษมันสัญญา ตัวเจตนานี่แหละเป็น 5 นะครบแล้วเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดนามธรรมมีอันนั้นน่ะที่จะ นะสําคัญก็เจตนาเป็นกุศลเจตนาเจตนาเป็นบาปได้เจตนาเป็นบุญได้เจตนาเป็นกุศลเจตนาเป็นอกุศลได้ทั้งนั้น โผล่โชยได้กุศลเยอะแยะแต่ตั้งจิตขี้โลภทําทานนี่หมายความว่าลดโลภออกแต่กลับสัญญาวิปประลาดกําหนดจิตผิดกําหนดหมายทําใจในใจผิดมันต้อง เต็มไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้สัจจะความจริงอัน แม่แต่นายพูดเองเรารู้อยู่คนเดียวๆเดี๋ยวนี้ก็รู้กันที่ไหนเพี้ยนขอๆหน่อยถ้า นึกว่าเป็นว่าเข้าตรงๆไปอย่างนั้นอ่าแต่ก็ต้องพูดในลีลาอาหาร 4 ไว้นาน นั่นมันของดวงมัจฉาลีอินทระวิจิตรเป็นคนแต่งมั้งนาน อาตมาแต่จําไม่ก็ได้อยู่ในวงการเพลงก็พอพออ้าว 240 พระตํประดกเล่ม 16 ใคร 240 ท่านก็ น่าแล้วก็ตรัสเรียกภิกษุนะบรรยายแล้วท่านก็บอก ในชีวิตตน 4 ในความเป็นชีวิตมันจะต้องอาศัยอาหารเป็นรูปชีวิต อ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ถูกสภาวะอย 4 อย่างที่ 241 ข้อ 241 ขึ้นเรื่องเลยเรื่องเลยอาหาร 4 อย่างนั้นท่านก็ไล่ไปเป็นๆกับมโน จริงๆแล้วเราก็ต้องรู้จักวิญญาณอาหารวิญญาณก็คือนี่แหละกวรินทกราหาร คุณก็ต้องอ่านให้เป็นรู้นามมรูปของ สภาวะพวกนั้นอาการพวกนั้นที่เป็นอาการทางนามธรรมเพราะจะวิญญาณนี่ คำใหญ่เป็นคำมันๆอีกก็คือวิญญาณนั่นแหละ เพราะงั้นเมื่อคุณพอ 241 เนี่ยนะและๆและทั้งอุปโภคอุปโภคบริโภคนั่น แต่อยู่ในบริโภคคืออาหารที่เป็นคําข้าวนี่ เพราะมันติดมาตั้งแต่เป็นสัตว์โลกเดรัจฉานมาจนกระทั่งกิน จิตมัปเปนราวมีของเรามันไม่เคยแต่พวกเราเป็น มาเป็นคนแล้วมาเป็นร่างคนเป็นสัตว์โลกถึงขั้นเป็นคนไอ้ นะอ้าวเริ่มต้นเอาตัวแรกกวริงการาหารอาหารคือสิ่งไปมีรูปรสเสียงสัมผัสอยู่ในนี้อยู่ในอาหารเนี่ยแล้วก็ พอจะจบอาหาร 4 เนี่ยอ่าเมื่ออริยสาวกกําหนดรู้กวารีกราหารได้แล้วก็ ท่านบอกว่าฟังแล้วคล้ายๆกับเรารู้ก็กําหนดรู้ความเกิดน่ะแต่เบญจกามคุณกามคุณ 5 นั่นเองเบญจกามคุณมันเกิดจากกามคุณ 5 ไปยินดีใน สังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนํามารยะสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีนี่เป็นข้อต้นฟังแล้วก็บอกอ้าวกําหนดรู้แค่นี้ก็ไม่ไม่มีได้เลยเหรอมันไม่เลย อภิธรรมก็เอามาเรียงมาเรียนกันไว้เป็นที่จริงมันมี ก็กําหนดรู้กามเป็นจักขามกคุณกําหนดรู้กามคุณ 5 แล้วอาหารเออรู้แล้วเนี่ย คนเราเคยผ่านมาแล้วฟื้นจําได้มั้ยเดี๋ยวค่อยไล่อธิบายไป 108 เราก็ต้องเรียนรู้ต้องรู้เหตุ 18 ถ้าคุณไม่ ออกจากติดจิตอยู่แบบลวกๆไปเป็นโลกุตตระคือยังคุณอ่านเวทนาๆปนๆมั่วๆมันก็คลุมงม เข้าใจแม้คุณจะจําภาษาไม่ได้แต่ถ้าคุณเข 18 งี้บางทีคุณเออพอเข้าใจแล้วๆมันเกิดจักตะวัน 6 นะพอสัมผัสแล้วมันก็เกิดกิเลสอ่ากิเลสสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ นะ, 18 เคหสิตเวทนาก็คุณก็เข้า เออว่าอออ่าแค่ให้ตรัสสมณัตข้อให้สัตถมณัตแค่ให้สิตตาอุเบกขาอะไรไม่เคยๆก็ประสาพวกนี้ คนก็ไปปฏิบัติได้ก็ยิ่งจําภาษาได้แม้ตัวนี้คือตัวนี้คือตัวนี้มันก็ยิ่งเจ๋งอ่ะใช่ๆนะแล้วไปปฏิบัติมันก็จะถูก เพราะงั้นแม้แต่เจตนาอีกทีนี้มโนสันเจตนาอีกก็ต้องอานรู้ว่ามันตัวเจตนา กำหนดกรอบบริเฉทะไว้ขนาดนี้ก่อนคุณ ที่เกิดจากกวลิงกราหันนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณไปกินอาหารคุณๆจัดการมันไปเรื่อยๆ เป็นสัมมาปฏิบัติน่ะลดละไปยิ่งรู้เลยว่าเราจะพิจารณายังไงกดข่มมันยังไงวิกรรมพนะปะหานยังไงให้มันได้ผลแต่ละครั้งแต่ละคราวเป็นตถัง ปฏิปัสสัทธิปหานทวนทําให้มันสงบอย่างที่ ถ้าไม่รู้เลยแล้วก็คุณคิดดูซิแล้วมันจะๆใช่มั้ยๆแล้วมันมั่วๆมันไม่ๆเลยมันมั่วๆมันไม่ๆเลยแล้วเมื่อไหร่ๆไม่มีแม่นเลยอ่าแล้ว นี่อาตมาเกลียวพื้นฐานมันเกี่ยวข้องกันไปหมดตั้งตั้งแต่เริ่มต้นหรือปฏิบัติไปมีผัสสะเมื่อมีผัสสะแล้วคุณก็มีเจตนากุศลเจตนา คือต้องการที่จะทําสิ่งที่ดีงามที่จะประหารที่จะทําสัตว์โอปปาติกะนี่ให้ได้ อาการของตัวตัณหาเลยตอนนี้พูด เป็นแต่ปาทังปฏิเสวามิเลยแล้วก็ไหลไปเลยเนี่ยนะนะก็ตั้งใจแล้ว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 กำจัดตัวเจตนาที่มันยังมีกามมเจตนามโนสังเจตนาที่ แล้วก็ตัวปัจจัยตัวนี้แหละอ่าติด อาณาการปัจจัยมีรูปมีต่างๆเรียกว่ากายนี่ชัดรู้ผู้ที่กําหนดรู้เกิดแก่แตกได้แล้วสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักแล้ว ปัจจนัยกําหนดรู้นี่คือ 5 เมื่อเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยที่เป็นอาหารที่เป็นกาวรินทราหารนะเพราะงั้นมันซับซ้อนพระพุทธเจ้าถึงนิทานในกาวรินทราหาร นิทานเรื่องนี้เนี่ยเฒ่าจริงจะยิ่งใหญ่สั้นๆเป็นโศกนาฏกรรมที่ฉากมีไดอะล็อกมี ตามนักประพันธ์กินใจจะถูกเรื่องรับรองเลยโอ้โหเป็นนิยายชั้น 1 เลย ภรรยาสามี 2 คนนะถือเอาเสบียงเดินทางเล็ก เดี๋ยวเอ่อหน้าน่ารักพอเดี๋ยวจะอะไรอะไรมันเพราะเค้าไม่เรียกเค้าเรียกน่าเกลียดน่าชังเออจะไปเรียกน่ารักพอเดี๋ยวไปอยู่คนหนึ่งเมื่อคณะทั้งสองคน เดินไปเค้าไม่รู้ว่าเค้าอยู่กับโลกกี่เค้าๆไม่รู้เรื่องก็แย่งก็ มันมิจฉาทิฐิหรือว่ามันอวิชชาไม่รู้ทางไม่รู้เรื่องพร้อมกับ อาหารที่ว่านี่ก็มีเฉพาะที่คุณมีเป็นของตนน่ะพยายามที่จะเดิน คือจะไปแล้วก็มีอาหารก็คือความพล่องของความอยากได้ไม่เคยเต็มไปคนมีหมื่นล้านเนี้ย เขาจะโกงกันทีละตั้งเท่าไหร่กี่แสนเลยความเลวระดับอัตราการก้าวหน้าเป็น ทาซิลอาริสเป็คก็แค่บวกใช่มั้ยไอ้โปรเกรสชั่นโอ้โหมันจะแสนล้านล้านๆอะไรโอ้โหแหมอาตมาละหวั่น จะทำหันตั้งงบประมาณอะไรขึ้นเท่าไหร่นะกีรติเออ 2 ล้านล้านเสร็จ 2.2 ล้านล้านเนี่ยสําเร็จนี่ล้าน spend 10 10 ล้านอัตราการก้าวหน้ามันจะคูณไม่ใช่ 2 2 เป็น 2 มันจะยกกําลังอะไรของมันไม่รู้อ่ะมันอัตรา ป่านนี้แล้วพวกคุณเอ้ยแต่พวกเรารอดพวกเรา อ้าวอ้าวต่อน่ะทั้ง oh. 2 คนกําลังเดินทางในทางกันดาลอยู่เสบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นหมดสิ้นไปเสบียงก็อธิบายแล้วมันเกี่ยวกับล้านพอได้พันล้านอ้า ไม่เคยพอเคยพอน่ะเสบียงเดินทางมีอยู่เพียงเล็กแต่ที่ ก็มี 10 เบี้ยใกล้มือคือมีลูกเพราะฉะนั้น 10 เบี้ยใกล้ 10 เบี้ยใกล้มือ ความพอใจได้สมใจในความคิดโลบจบก็อยากได้ใหม่มัน จ่ายตังค์แล้วก็ของฟรีแล้วแต่ชอบพูดอ่ะท่านหนักแน่นชอบพูดด้วยจ่ายตังค์ยังจ่ายมันได้ของแล้วได้สมใจ ไอ้เจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านตั้งนิทานไว้ว่าก็ไปก็ลูกก็สิเบียดคือลูกก็ฆ่าลูกเสียคือจะทําลาย เพราะฉะนั้นก็ศีลเบี้ยใกล้มือนี่ก็คือทำลายมันก็แล้วก็ไม่รู้ ทางกันดาลนั้นยังเหลืออยู่เพราะว่าเค้ายังไม่ได้ไปเข้าทางๆทั้งมีทุกข์มี พวกคุณนี่หันมานี่น่ะโอ้โหเดินทางดีแล้วอย่าเข้าไปเลยดงน้ํา เดินให้ตายก็ขกเคลขกเคลอยู่ในทางกันดารนั้นตลอด ทางกดานยังเหลืออยู่ยังไม่ถึงนิพพานยังไม่ถึงที่สูงสุดทั้งๆที่มันคนละทิศแต่ต้องการแต่มันหลงว่านี่แหละคือทางที่ etc ไม่รู้จะอธิบายต่อยังไงถ้าแต่ๆคนเดียวผู้ มาเลยเลยสิเบี้ยนี่วัน 2 ล้าน 2 ล้านล้านอ่า 2.2 ล้านล้านมาย่ําเลยเอาให้เละเลยค้ำ คือเร็วสุดเร็วอ่ะท่ารูปน่ะเร็วสุดเร็วเอา เดินทางกลางกันดาลต่อไปอีกนะทําชั่วนี้ก่อนได้ ถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้ง 3 คนต้องพามันอื้อหือ อาตมาอ่านกิริยาของพวกคุณนี่นั่งงงหมดเลยไม่เข้าใจยังไงมันมี 2 ในเนาะเข้าใจซึ้งจน ต่อใจเชื่อมเชื่อมน่ะเรื่องเฒ่าใช่มั้ยฟังแล้วมันเลยเนี่ยอ่ามีพระๆเลยนี่รับ ครั้งนั้นปัญญาสามีทั้งสองคนก็ฆ่าบุตรน้อยๆคนนั้นคนเดียวน่า รับประทานเนื้อบุตรพลางคลอนอกพลางรำพันว่าๆคนเดียว อะธรรมคลี่คลายมาขยายขนาดนี้เนี่ยตอบต่อไป ลูกน่ารักน้อยๆของเราไปไหนลูกน้อยๆไปไหนมันก็ น้าจำไม่เราไม่ได้โกงแล้วลูกเราไปไหนเราไม่ได้โกงเราลืมหมดแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะเอ๊ะแล้วเราได้ทํา เห็นทั่วเป็นดีเป็นอย่างเงี้ยเธอจะเข้าใจ อขนอง 1 ขนองเพื่อมัวเมา 2 เพื่อตกแต่ง 3 เพื่อว่าหามิได้ เขาก็หลงว่าเขาไม่ได้มาทําเขาจะไปนิพพานเขาเดินอยู่ทางนั้นน่ะเขานึก <t Jean> <bulun> ความหลงของๆหลอกเพื่อบํารุงมัวเมาใช่มั้ยเพื่อตกแต่งใช่มั้ย ไปที่สูงสุดที่เค้าหมายน่ะแต่ที่สูงสุดที่เค้าหมายน่ะจริงๆที่สูงสุดที่เค้าหมายน่ะ แต่แท้จริงทางนิพพานเป็นอย่างนี้เห็นมั้ยคือนิทานของพระพุทธเจ้านี่อื้อหือ ใช่มั้ยใช่พระเจ้าค่ะใช่มั้ยเขาจะให้พ้นทางกดานคือให้พ้นทางโลกีย์แต่ๆหนักๆด้วยพระองค์ มันเหมือนกินเนื้อพุทธะเราโง่ยกชั้นอาหารชั้นสูงอาหารชั้นดีชั้นเลิศชั้นยอดราคาแพงชั้นสูงๆจึงๆนานๆนี่มันให้สไลด์เป็นคน มีอำนาจที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกสั่งการโลกได้ทั้งโลกของผู้เป็นมหาอำนาจของโลก ทางนั้นเลยแล้วเค้าก็นึกว่านั่นล่ะคือทางสูงสุดที่จะไปแต่ จ้าแต่คนก็อยากเป็นเลยแต่คนก็อยากเป็นอย่าง เพราะการกินอาหารที่บอกโภชนะมัตตัญญูตาหรือมัตตัญญูตาสรุปเต็มไปด้วยผีๆเลย นอกจากว่าและยังไม่พอเองไม่รู้จักความเป็นเทพบุตรมานแล้วตัวเองก็ ใครจะไปก็ไปๆเนี่ยขออภัยๆขออภัยนะๆพูดจริงๆ ว่าอาตมาได้เป็นเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ที่มี ไม่ได้จริงๆมาอาตมาได้เป็นเจ้านั้นชาตินั้นเป็นเอ่ออย่างงี้ๆเหมือนของพุทธเจ้าท่านเล่ามาจักๆๆท่านนี้อย่างงั้นอย่าง นักขณะนี้ในบัดนี้เนี่ยยังไงก็คือให้อาตมาไปเป็นนายกตอนนี้ๆมันไม่ใช่เรื่องจริง ไม่เอาอัตมาเป็นผู้เยอะจริงสบายกว่าปู่จริงอัตมาเป็นผู้ นอกจากสบายแล้วอาตมาก็ยังมีปัญญาเข้าใจด้วยว่าอาตมาได้อะไรเสียอะไรอาตมาเสียสละอาตมาได้อันนี้เสียๆไม่ได้พูดเล่นนะอาตมา เอาเกณฑ์เนี่ยพอได้จริงด้วยเอาให้จริงๆถ้าได้ก็ได้ขนาดนี้แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาไป เอามั้ยไม่เอาให้คุณเสียสละเก่งๆคุณไม่เอาเหรออ้าวพูดยังไงฮะอ้าวจะไปโกงเอา<า> มันเป็นสุดยอดมหาสมบัติจริงๆจริงใจแล้วก็ทําได้จริงมันยิ่งใหญ่เลิศยอดกว่าอันนี้หรอกนะเพราะงั้นต้องพอพระพุทธเจ้าตัด ก็คงง่ายอันนี้เป็นเบี้ยต่อไส้อันนี้เป็นสิ่งที่จะนําพาคุณเดินทางไปเป็นสมบัติ ทำเลวทำร้ายฆ่าลูกก็ไม่รู้ว่าฆ่าลูกแล้วยังมาหลงงมงายว่าลูก เป็นเนื้อยากเนื้อเค็มกินอยู่ไม่รู้เราจริงๆคือขนาดๆมนุษย์เพราะงั้นนิทานของพระ ความซับซ้อนของพฤติกรรมมนุษย์เจตนามนุษย์ก็ แม้ล้างอบายมุขๆก็ยังอยากในใช้ภาษาไทยว่าอยากก็ไอ้กามนั่นแหละความใคร่อยากได้อยากในรูปท่านก็เปลี่ยนจากกามมาเป็นราคะเป็นรูปราคะเสีย กามหรือความอยากทั้งนั้นแหละไม่ว่าล้างเหตุล้างเรื่องหวยเหตุที่มันมีความอยากมาบําเรออัตตาตั้งแต่ อย่างเป็นจริงจิตของคุณหมดภพหมดชาติจึงรู้จักภพรู้จักชาติอย่างชัดไม่ว่าจะเป็นในกามภพรูปภพอรูปภพถึงระดับสูงสุดเลยไล่อรูปภพไปถึงขั้นว่าง จิตมันสะอาดวิญญาณอากาศอ่าอนันโตอากาศโตที่อนันโตวิญญาณันติอาวิญญาณก็สะอาดอยู่กับโลกเข้าไปอีกบริสุทธาประโยชน์าตามุตทุกขกําัญญาปพัสสราสะอาดแล้วสะอาดอีก ไปเรื่อยเรื่อยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆๆอุเบกขาก้าวหน้าเรื่อยๆสุทธะปพัสสราปพัสสราปพัสสรากรรมัญญยาอยู่ กำลังของอุเบกขาสูงอย่างนั้นนะนี่คือ ขอบคู่โลกน้อยๆนี่ก่อนขอบคู่โลกๆนี่ก่อนนะอ้าว แล้วก็จะสัมพันธ์กันผัสสาหานสัญเจตนาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารก็เป็นนาทีแล้ว กราบพระมัสการค่ะเอาเลยตุกๆๆค่ะเออวันนี้ๆ ทีนี้แต่เขาจะขอพูดเรื่องหนังสือคาบุญคือ น่าจะอยู่สัก 2 อาจารย์ก็พูดถึงคําว่า potential เดี๋ยวๆพูดถึงพลท่าน potential energy นี่มันอยู่ข้างในใช่มั้ยคะถ้าไม่เป็นสมาธิทิเป็นมันอภิชาเป็นอัสวะ แต่ว่าถ้าๆออกมาจะได้กํากับมันค่ะทีนี้ที potential ดิฉันก็ๆมีอาจารย์พูด potential ทีนี้อาจารย์อาจารย์ เดี๋ยวก็ถามต่อว่าศักยภาพนี่มันเป็นยังไงศักยภาพศักยภาพอ๋อศักยภาพทีนี้อาจารย์บอกเด็กๆเนี่ยช่วยกันดึง เราจะดึงเอาอะไรออกมาจะดึงเอาอะไรออกมาเราเร ขนาดหมาเดินผ่านหน้าบ้านหมายังเมินหน้าหนีแล้วมันค่อยหันกลับมาพอเดินไปเอาพัดลม อาจารย์บอกว่าอ้าวใครอาสามาพูดหน้าชั้นเราก็อาสาเพราะว่าเราเยอะเหลือเกินก็วันไม่ประสบความสําเร็จก็ตั้งถ้าคุณตั้ง เดี๋ยวค่ะทีนี้ฝันตัวที่ 3 ต่อนะคะบอกว่าอยากเป็นนักเขียนที่นักนัก อันไหนที่ชอบใจก็เขียนไว้ในสมุดเล่มหนาๆดึงคําพูดเค้ามาใครเป็นคนเขียนหน้าที่เท่าไหร่เรื่องอะไรเขียนไว้หมดรู้สึกคําพูด ปออินทปาลิตค่ะปออินทปาลิตปอก็อ่านค่ะแล้วก็จอไตๆใช่มั้ยฮะที่ไม่ เรื่องนี้ยาวนิดเดียวค่ะจะแม่ก็เลยคว้างถ้ารักถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหนังสืออ่านเล่นน่ะไม่ใช่อ่านนิยายไม่ใช่อ่านหนังสือเรียนก็ <c oughs> ก็เลยหยุดพ่อแม่อีกนะเนี่ยก็เลยหยุดนึงก็เลยเก็บความความสามารถของตัวเองมุมถึงแม้จะอยู่ผสมสโอเวลาพ่อท่านไปมุมๆคิดอะไรอะไร คนได้ความสามารถหรืออะไรอย่างงั้นน่ะเราไม่ได้ช่วย ให้เราทําไอ้โน่นทําไอ้นี่สิ่งที่เรามันมันก็ยากอยู่เหมือน ทำไงพอมาอยู่บ้านราดแล้วศักยภาพนี้รู้สึกจะเรืองแสงมากเพราะ เป็นยังไงโพเทนเชียลมันคืออะไรมันเป็นยังไงกันแน่มันโพเทนเชียลคือคืออะไรใช่มั้ยที่พูดเนี่ยแล้วความสามารถแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะถามอะไร ตอบๆมองผิดๆพลาดๆไปอะไรอย่างตอบจะยาว potential เนี่ยภาษาอังกฤษเค้าก็แปลๆแล้ว potential energy เนี่ยหรือท่าน เราไม่ได้หมายความว่าพลังงานของมันไม่มีมันไม่ทํางานมันมีอยู่เป็นแต่ เบื้องต้นทำกลางมันปลายซึ่งจะอธิบาย potential energy มัน unconsciousness มันจิตไร้สํานึกยิสทํา แต่เราไม่รู้ไม่สามารถที่จะไปจัดการมันได้ทีนี้ๆพลังงานเก่งๆพลังงาน คุณได้ฝึกฝนมาตรัสชาติตรัสชาติตรัสชาติเนี่ยถ้าคุณดึง เอ่อพรสวรรค์หรือเป็น talent อะไรของคุณเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นน่ะถ้าออกมาใช้ได้ๆแต่มันไม่ง่ายมัน อะ. potential มันออก มันไม่มีประเก่ามันไม่ต้องฝึกยากมันไม่ต้องอะไรมากก็มันมีนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าวิบากกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากโอ้โหบางคน กันได้ได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็มีได้ทั้งอกุศลและกุศลทีนี้ของพระพุทธเจ้านั้นก็วิชาใน 18 วิชาท่านทบทิพย์หมดท่าน จบเพราะท่านผ่านมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติท่านมีโพเทนเชียลเอนเนอร์จี้ สิ่งที่มันเกิดมาในที่มันเกิดมาใน potential เนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาติมันก็ไม่ได้ ภาคค่ําเดือน 6 ที่ตั้งใจระลึกถึงตั้งใจรู้ตั้งใจคนจากของเดิมสัญญาเดิม กลับไหนไม่ได้เรียนรู้มาจากไหนนี่เมื่อก็อาตมาก็ยังท้าความถึงว่าเอ้อ อ่าเกิดมาแล้ว 2-3 ประเด็นเชื่ออาตมาเออประเด็นต่างๆนี่มันๆอย่างนั้นน่ะ อาตมาเรียนรู้มาแล้วแต่ชาตินี้อาตมาไม่ได้เรียนรู้มาจาก เรื่องว่าผลกรรมผลก็การกระทําคุณจะทําทางโลกโลกีฝึกฝนความสามารถทางโลกีแม้ที่สุดมาฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นโลกิหรือโลกุตระเป็นของตนทั้งคุณเองคุณได้มาขนาดนี้แล้วนี่ได้ เออมันก็มีหลายแขนงที่เป็นความรู้ความสามารถทางโลกีย์ที่มีคุณค่าดีๆๆเป็นโลกีย์ ก็ดีแล้วดีแล้วสั่งสมเถอะเวลาจะมีอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติ ก็ได้ได้มันก็เป็นสิ่งที่เอ่อสิ่งที่มันพอเป็นได้เป็นสุจริตธรรมเป็นสุจริตกรรมของโลกของโลกีย์เค้าก็ดีแต่อาตมาว่าก็เป็น มาโลกุตระดีกว่าไม่ต้องย่างกับใครเลยปลอดภัยและเป็นประโยชน์คุณค่า พลังงานปัจจุบันเป็นคิเนติกเอนเนอร์จี้เป็นพลังงานจลน์พลังๆหน่อยเอาตั้งๆงี้ตั้งๆปาก ถ้าอย่างนี้อย่างงี้มันไม่เคยดังต้องอย่างงี้เหมือนหิวที ยึดในอาหารรสของมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติหวานเปรี้ยวมันเค็มมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติแต่เราไปไปติดยึดชอบ ไม่ยอมคลายไม่ยอมเป็นเที่ยงอยู่เงี้ยนั่นแหละเหมือนกับมันมันเหมือนกับชั่วมันเหมือนกับผิดศีลก็กินเนื้อ แล้วลึกถึงถึงโอ๊ยมันค่ําควรอย่างเงี้ยค่ะเออก็อยากเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ควรเดี๋ยวก็ควรอีก ปุ๊นอ้าวพูดเรื่องอ่าเอ่อการความกันดานความกันดานก็เหมือนกับความหิวอยากก็คือมันเหมือนกับ มันมารบกวนขบกัดวิญญาณของพูดเรื่องเรา เอาล่ะอาตมาคาดทะเนเอาคําคําคําคําถามของคุณคือคุณเองคุณยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าเอ้อเราจะตัดกิเลสยังไงแล้วมันก็อยากอย่างเช่นดอกติฐอันนี้แล้ว มันก็ได้เที่ยงติดอันเนี้ยติดใจไม่ได้เกินไม่ล้างจะล้างยังไงกินทีไรมันก็อร่อยกินที เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้นี่เป็นๆน่ะๆเพราะเราหาวิธีที่ กินขี้อือดันๆแล้วคายกินเยอะเป็นก้อนแย่ๆๆๆแล้วคายอ่ะกินใหม่คุณจะรู้ มันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของเที่ยงมันไม่ใช่ของที่คุณบอกว่าโอ้โหต้องรูปอย่างนี้รถอย่างแต่คุณก็ไปหลงยึดว่ามันเที่ยงมันเป็นก็ คนเออกินเข้าไปนี่เคี้ยวไปออกมาปั๊บใหม่ๆสดๆหรือเคี้ยวไปไอ้ดอกหมาแล้วอ่ะเอาออกมาอ่ะ <S an> โอ้โหเนี่ยอาหารอันนี้นี่นะหรือไม่อันเนี้ยงามๆสวยๆก่อนจะกินนี่โอ้โหทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรูปโอ้โหกลิ่นทั้งอะไรเสร็จแล้วก็เอาไปเคี่ยวๆๆๆเนี่ยดีๆไปผสมกับกิเลสผสมกับสะเลทไปสรบสมกับมะลายอะไรเข้ามาจะดมมัน ค่ะการนิสิตวนบดังเดือนค่ะอ้าวๆ เวลาเราเจอผัดสะทํางานอย่างเงี้ยเมื่อกี้แล้วก็คิดไม่ทันว่าเราจะ 8 ที่ จะพาวรรคนี้ยังไงนะคะโอ้โหท่านบิณฑปรากฏ 8 ด้วยกายมันคืออะไรกายมันคืออะไรจะเอามาเอาเดี๋ยวนี้เลยเหรออย่างอย่างเช่นถ้าเราติดข้าเหนียวอย่างนี้นะคะ อ่าสัมผัสวิโมก 8 ได้กายนั้นน่ะเอาคําว่ากายก่อนหมายความว่าอัน 8 วิโมก 8 8 ไม่ได้มี 8 เนี่ยข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 8 เนี่ยไม่มีคํา เพราะฉะนั้นคําว่าองค์รวมนี่ก็คือปีโมกทั้ง 8 ข้อนั่นแหละองค์รวม<ใช> 8 นี่มี 2 อัจจตังรูปะ สุปันเตวะอธิมุตโตโหติ 4 อากาสานัญจายตนะ 5 วิญญาณัญจายตนะ 6 อกินจัญญายตนะ 7 เนวสัญญานาสัญญายตนะ 8 สัญญาเวทิจิตตนิโรธนี่ 8 ข้อคุณก็จะรู้องค์รวม 1 องค์รวม รูปีคุณต้องมีรูปคุณต้องรู้รูปคุณต้องมีรูปคุณต้องรู้รูปคุณเป็นคนคุณต้องมีรูปคุณ ตากระทบรูปหรือมันต้องมีการกระทบหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นนั่นคือปัสสติคือต้องเห็น รัชตังอรูปสัญญีสัญญีก็คือการกําหนดรู้นั่นแหละหมายรู้ ตุปีรูปานิปัสสติอนิจจปัสสติต้องสัมผัสนั่นแหละเรียก 3 นั้นทําได้เป็นผลสุภังเทวะได้ละได้อะไรได้ พึงใจสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วอย่างพึงหน้าพึงงามดีเรียกว่าหน้าพึงใจสุภะจิตของคุณก็ได้อันนี้ก็ได้ ทำวิโมก 1 วิโมก 2 วิโมก 3 ได้ผลคุณเดินทางไปเรื่อยๆก็กลายเป็น อธิบายวิโมกไปเลยมันก็จะยาววิโมกไปเลยมันก็จะยาวนะ แต่มันก็เกิดเรื่องสังขารเรื่องพลังงานเรื่ององค์รวมวิญญาณก็เกิดจากองค์รวมไม่มีจิต ต่อสิ่งที่ทรงอยู่ข้างในลึกๆไปเป็นขั้นสุดท้ายเช่นอรูปฌานนี้เป็นต้นอรูปฌานขั้นว่างละจิตได้ฌาน 4 ละจิตเฉย แล้วสิ่งเหล่านี้ที่เกิดอาการว่างก็ตามเออเกิดอาการได้ผลๆตามลําดับก็ตามทุกอย่างเนี่ย ที่พอติดตามเมื่อกี้ก่อนก็ติดยึดอยู่อย่างงั้นในขณะมีผัสสะเห็นของจริงถ้าคุณไม่มีผัสสะคุณเอาสัญญาดึงเอาความจํามาเหมือน เอาเรื่องเก่ามาคิดมาปรุงมาพิจารณามาที่จิตกําหนดขึ้นมาทํานั้นมันไม่ใช่ๆเนี่ยมันจัดกว่ามัน อาจารย์บอกท่านบอกเอาสู้รัดๆนี่เลยล้างรัดๆนิดได้ไปจนกระทั่งจากบางเบาจากน้อยๆไปจนกระทั่งมันจังเก่งขึ้นลดได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วไม่เท่าไหร่หรือมัน จะได้ไม่หลงจะได้ไม่รู้ว่าเราทำร้ายไม่ได้เราทำพลาดไม่พลาดอ่าทำอย่างงี้ได้ดีเออทำอย่างงี้ซ้ําอีกทำๆเรียนรู้ไม่เป็น คุณก็เรียนรู้สภาวะจริงแล้วก็ลดละจริงๆปฏิบัติๆคุณก็จะเห็นว่ากิเลส แต่ระบยึดความมันเหมือนจะต้องมีอย่างนี้อีกไอ้ฟักข้าวเนี่ยเราติดมันเสร็จ จริงๆมันไม่เทียงแล้วมันก็ไม่ใช่อันนั้นมันก็ต่างไปเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่อันนั้นเปลี่ยนไป มีไฟปัญญาแข็งแรงจริงๆฌานไฟปัญญานี่ไฟพลังที่มันล้างได้พิสูจน์ ฟังไปโอ้ถ้าเราเข้าใจเราเห็นจริงเชื่อมั่นสูงๆๆๆจริงๆในขณะที่ปฏิบัติพวก อรติวิรติปฏิวิรติเวรมณีดุจมันบ้างเลิกกินข้าวเนี้ยกินแต่ข้าวเจ้ากินแต่ข้าวสวยนี่ลองดูสิ มันไม่เคยกินข้าวเหนียวก็นี่โอ้โหแล้วท้องอืดเลยฮะยืนท่องกินข้าวเหนียวไม่เคยกินข้าวเหนียวนี่ลองกินมาก อึดมันหนักคืออยู่มันจะอื้อหือมันหนักพ้าเลิกกินติดข้าวเหนียวมันมีวิตามินดีกว่าติดรูปร่าง เอาอื่นแทนเรื่องอาหารนะอย่างจริงไม่ใช่อาหารอุปโภคไม่ใช้อันนี้ไปใช้อื่นอะไรอ้าวค่ะไหนๆก็ไหนๆก็เรื่อง ตี้คุยเรื่องของว่าอ่าชื่อ แต่ว่าขณะที่ของพวกเราเนี่ยเราเรารู้สึกกับการกินเนื้อบดนี่มัน ก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวบางสวิรัตค่ะรสๆใกล้ๆกันกับตอนที่สมุนแต่ว่ามันเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ค่ะทีนี้พอมันชื่อว่า แบบนี้นี่ถือว่าพวกเรายังกินเนื้อบุญอยู่มั้ยคะก็ลด <c oughs> ถ้าแบบนี้รู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแบบมีความสุขหน่อยค่ะ แก้แค้นเก่าก็ถือว่าๆใช่ๆมันอะไรเป็นโครงสร้างเดียวกันค่ะเป็นโมเดลครับขอบพระคุณครับค่ะเป็นโมเดลจะจะเอาไป 9 น. แต่ 7 นาทีเอง ที่จริงเมื่อวันนี้ท่านบิณฑก้าวทรงอะไรมาของพระใหม่ๆนะแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวจะๆๆ มาตอบก็ได้อ่าพวกนี้จะตอบอาหาร 4 เพิ่มเติมขึ้นก็อาจจะตอบอ้าวท่านผู้ติดตามมา